ที่เราทำทั้งหมดที่เราทำทั้งหมดเรานั่งภาวนาแล้วก็เราสวดมนต์สวดทั้งบทหลายๆบทบทสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณธรรมวัดเย็นเนี่ยแล้วก็สวดบทพิจรารณาธาตุปฏิกูลปัจเวกขณะ พิจรารณาปัจจัยทั้งสอันนี้มีความสําคัญสําหรับพระถ้ายอมเข้าใจก็น้อมไปใช้ด้วยก็ได้พิจรารณาอาหารพิจรารณาจีวรพิจรารณาบิณฑบาตพิจรารณาจีวรพิจรารณาเพศสัตว์พิจรารณาเสนาสนะนี่คือปัจจัยบิณฑบาตก็คืออาหารบำรุงร่างกาย จีวรก็คือเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกายปกปิดความละอายปกปิดเหลือบยุง่งปกปิดความหนาวความร้อนนี่จีวรเครื่องนุ่งหม่มอย่างพวกเราฆรวาสอาหารก็คืออาหารจะพึงกลืนเข้าปากเครื่องนุ่งห่มก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์มีของพระก็มีจีวร อ, อาหารก็มีบิณฑบาต บินทบาทก็คือมีบาทแล้วก็ไปบินบินดะบินดะปาตะบินดะปาตะแปลว่าก้อนข้าวจะพึงตกลงในบาทเนี่ยไม่ใช่ขอทานไปบินทบาทนี่ไม่ใช่ขอทานถ้าสมัยพุทธกาลแท้ๆแล้วเนี่ยท่านเรียกว่าไปโปรดสัตว์ไปโปรดสัตว์ไปเพื่อให้คนอื่นเขาได้ทำบุญไปเพื่อให้คนอื่นเขาได้ทำบุญแล้ว อาหารที่เราได้มาก็มาเลี้ยงอัตภาพร่างกายแบบนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นอาหารที่ได้ด้วยปลีแข่งแข้งโดยปลีแคล้งได้โดยปลีแข่งของตัวเองได้โดยเรี่ยวแรงของตัวเอง อ, อาหารบินทบาทจีวรก็เครื่องนุ่งหม่มเนี่ยผ้าสบงผ้าจีวรภ้าสังขาติ จากนั้นแล้วก็ผ้าอใสผ่ผ้าหนุ่งผ้าห่มผ้าอะไรเท่าที่จําเป็นผ้าอังสะผ้าประคดเอวจากนั้นแล้วก็เพภสัตชก็คือยูกยาเพภสัตชก็คือยารักษาโรคเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมันขึ้นขึ้นลงๆมันมีระบบมันมีระเบียบของมันบางทีมันทํางานไปแล้วมันก็ผิดระบบผิดระเบียบที่ท่านเรียกว่าเป็นโรคขัดตรงนั้ น, ข, น, นขัดตรงนี้ปวดหัวเขา่าปวด ข้อปวดอะไรสารพัดเ่ยบางทีก็โรคบางอย่างก็มีเชื้อเนี่ยเชื้อหวัดเชื้ออะไรอย่างที่เราว่ากันเนี่ยต้องอาศัยเพสัชเพศัชก็คือยารักษาโรคคราวว่าเราก็ต้องอาศัยยูกยานี่คือปัจจัยที่จำเป็นแก่ชีวิตเสร็จแล้วก็เสนาสนะเสนะบวกอาสนะ เสนะแปลว่า um ท presence, ี тесь, ่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งท่านเรียกว่าแปลว่าเสนาสนะที่นอนที่นั่งเสนาแปลว่าที่นอนอาสนะแปลว่าที่นั่งเสนาอาสนะเสนาสนะคือที่อยู่อาศัยที่นั่งที่นอนูง่ายๆที่นั่งที่นอนหมายถึงกุฏิที่อยู่อาศัยพวกเราก็คือบ้านช่องนั่นแหละเพราะบ้านน่ะมันปกปิด สัตว์ร้ายปกปิดหนาวร้อนลมแดดพายุอะไรต่างๆสารพัดเก็บสิ่งเก็บของที่สำคัญก็คือปกปิดแดดปกปิดฝนปกปิดลมที่อยู่อาศัยเวลามีฝนแรงๆถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยก็ลำบากเวลาฝนตกหนักๆไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็ลำบากคือลำบากอัตภาพร่างกายที่แท้จริงตัวร่างกายตัวเดียวนี่แหละ เป็นเหตุให้เราต้องใช้เพสัตเป็นเหตุให้เราต้องใช้ผ้านุ่งผ้าหม่มเป็นเหตุให้เราต้องมีที่อยู่ที่อาศัยให้กับเขาแล้วเป็นเหตุให้เราต้องหาอาหารมาใส่ให้กับเขาอาหารนี่ต้องใส่ไปทุกวันอาหารเนี่ยมีทั้งข้าวปลาอาหารทั้งหมดนั่นแหละอาหารทั้งหมดนั่นแหละเป็นธาตุภายนอกต้องเอาเข้ามาใส่ให้เป็นธาตุภายใน ทำไมต้องเอามาใส่เนื่องจากว่าธาตุภายในร่างกายของคนเรานั่นแหละมันเสื่อมไปมันสิ้นไปไม่มีอะไรอยู่กับที่ไม่มีอะไรคงที่เช่นอย่างเราใส่น้ําเข้าไปร่างกายมันก็ย่อย ย, อย่ยอยย่อยขับลงไปอ่าลงไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายออกมาเป็นเหงือออกมาเป็นน้ำหมูกน้ําลายออกมาเป็นน้ําอุดจร ะ, ะปัะสาวะนี่มันไม่มีอะไรอยู่กับที่มันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันย่อยสลายไป อาหารก็เช่นเดียวกันข้าวปลาอาหารข้าเจ้าข้าวเหนียวกับแกงดิบดีขนาดไหนก็ตามพอเราใส่เข้าไปในปากแล้บดเคี้ยวเสร็จแล้วกลืนเข้าไปมันก็เริ่มย่อยเริ่มทํางานมันแหละอาศัยโอยชะของอาหารนี่แหละไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้ร่างกายนี้มีชีวิตอยู่ได้เป็นอยู่ได้ทําให้เกิดกําลังวังชาเดินได้ยืนได้ทํางานได้ทําอะไรต่ออะไรได้มีชีวิตชีวาอยู่ได้ นี่อาหารนี่มีความจำเป็นต่อชีวิตเนี่ยธาตุภายในอาหารทั้งหมดอ่ะเมื่อแยกออกไปแล้วคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุภายในมันเสื่อมไปมันสิ้นไปเราต้องเพิ่มธาตุภายนอกเข้าไปเพราะเวลาธาตุภายในเขาบกพร่องเนี่ยเขาก็แสดงอาการหิวแสดงอาการหิวเราดูให้ดีก็แล้วกันอาการหิวกับความหิวกับความอยากเหมือนกันไหม ถ้าเราจะแปลเพื่อไม่ให้มันตรงกันเพื่อไม่ให้มันเหมือนกันก็คือความอยากถือว่าเป็นความอยากของของใจความหิวเราถือว่าเป็นความหิวของร่างกายเช่นอย่างมันรู้สึกบีบมาที่ท้องที่กระเพาะเนี่ยที่กระเพาะที่ลำไส้มันบีบบีบถ้าเราดูไปที่แ ท, ท้จริงก็ไม่เห็นมีอะไรก็เห็นมีแต่เวทนามันบีบบีบบีบบี บ, บ, บทอ้องจากนั้นแล้ ว, วเวทนาอย่างอื่นก็เกิดตามมาเกิดเมื่อยเกิดขบเกิดวิงเวียนเกิด อ่อนล่าเกิดจะเป็นลมเป็นแรงเป็นอะไรขึ้นมาเนื่องจากว่ามันไม่มีกําลังข้างในแต่เรื่องความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสที่มันจะมาแทรกมันมาแทรกที่ใจที่เรียกว่าความอยากเพราะฉะนั้นนักอดข้าวทั้งหลายนักอดอาหารทั้งหลายนี่ให้เราสังเกตให้ออกว่าแบบไหนความอยากแบบไหนความหิวถ้าเราแยกออกเนี่ยถ้าเราแยกออกเราได้งานทํา พอเวลาร่างกายถูกความหิวบีบเข้ามาเราก็ดูเวทนาที่มันแสดงตัวให้ปรากฏที่ท้องของเราบางทีก็วิงเวียนบางทีก็ท้องไส้ถูกบีบบางทีก็โซซัดโซเสไม่มีกําลังวังชางี่อันนี้เนื่องจากว่ามันหมดอาหารเมื่อหมดอาหารแลว้วมันก็หมดแรงไปในตัวแหละแต่ถ้าหากเราปรุงขึ้นมาอ้อนึกถึงอาหารรสนั้นอาหารรสนี้บางทีนึกถึงอาหารรสเปรี้ยวจัดอะไรจัดบางทีก็ต้อง กลืนน้าลายเอื้อกเข้าไปโหลดเพราะอะไรเพราะสัญญามันมันปรุงเติมเข้ามาแล้วแหละนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวนึกถึงตำบักงนึกถึงอะไรต่ อ, อะไรก็แล้วแต่กลืนน้าลายดังเอือกนาย่อยมันออกนาย่อยมันออกนี่คือความอยากที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาที่มีอยู่ภายใน ตัณหามีอยู่ภายในใจมันทํางานประสระสานกันอย่างละเอียดละออทีเดียวถ้าไม่ใช่นักภาวนาพิจารณาทีทัว่วเราจะดูไม่ออกถ้าเราดูออกนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราอดข้าวนะเระอดได้เะาอดยังไงก็ได้เราไม่ให้ความอยากมันมาแสดงที่ใจในเมื่อกิเลสคือตัวความอยากคือตัวตัณหาเนี่ยมันแสดงตัวปรากฏไม่ได้มันก็เหลือแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมีขึ้นตามภาวะของมันเช่นอย่างมันหิวก็มันแสดงกิริยา บ, บิดท้องบิดไส้บิดอะไรไปอย่างนั้นแหละเกิดรู้สึกว่าหิวหิวเพลียเพลียอะไรยังไงแหละบางทีเราก็หาน้ําหาไหยอดเข้าไปมันก็อยู่ได้เ อ, อพออยู่ได้เข้าไปนี่คือร่างกายข้างในมันขาดเราต้องเอาธาตุภายนอกนี่เพิ่มเข้าไปให้ให้เป็นธาตุภายในเพื่อธาตุภายในเขาจะได้อิ่มน้ําสํารานเต็มอิ่มเขาได้ทํางานตามระบบของเขาระบบก็คือใส่เข้าไป ใส่เข้าไปก็บดก็ปลาอาหารใส่เข้าไปแล้วก็บดบดวัวแล้วกลืนลงไปกลืนลงไปเขาก็เริ่มย่อยตั้งแต่กระเพาะไปลำไส้เล็กไปลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่ปไปกว่าจะลงถึงลำไส้ใหญ่กว่าจะลงถึงปลายลำไส้ใหญ่ <c oughs> เขาก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเกือบหมดแล้วดูดโอชะของอาหารนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายร่างกายก็เอานั้นแหละไปปรุงเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอะไรแต่ไรของเรา ในขณะเดียวกันก็ทําให้มีเรี่ยวมีแรงมีกําลังวังชามีกล้ามเนื้อมีอะไรขึ้นมาทําให้เรามีกําลังวังชานี่คือปัจจัยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราต้องอาศัยเราสวดพิจารณาปัจจเวกทั้งสีนี่แหละปัจจเวก็คือการพิจารณาแหละพิจารณาธาตุทั้งสี่นีพิจารณาปัจจัยทั้งสี่นี่อันนี้เราก็สวดเมื่อกี้เราก็สวด เสร็จแล้วเราก็พิจารณาอาการสาสบสองอาการสาบสองนี่ก็คือถ้าเราจะแยกออกไปแล้วก็มีอาการของธาตุดินของธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีนะที่เราสวนนี้มีอาการของธาตุดินอาการของธาตุน้ําอาการของธาตุดินยีสบอาการของธาตุน้ำสิบสองโบราณถึงชอบเปรียบว่าธาตุดินเป็นธาตุพ่อยีสิบธาตุแม่12บางทีเขาเขาเรียกว่าคุณ คุณพ่อยี่สิบคุณแม่สิบสองเนี่ยคุณพ่อธาตุดินก็ถือว่าเป็นธาตุของพ่อธาตุน้ําถือว่าเป็นธาตุของแม่เขาก็เลยเรียกว่าพ่อมีคุณยี่สิบแม่มีคุณสิบสองก็หมายเอาคุณตัวนี้แหละตัวอาการสามสิบสองนี่แหละบางทีท่านก็เรียกสามสิบเอ็ดที่ท่านเรียกสามสิบอ็ดนั้นแหละท่านเอามัตะเกมัตถรงครังออกเพราะมัตะเกมัตรลรงครังเยื่อในสมองศรีรษะนี่ท่าน ท่านอนุลมเข้าเยื่อในกระดูกนะมันสมองเนี่ยแต่เวลาเราสวดเนี่ยเราพาสวดทั้งหมดนั่นแหละเพราะไม่เสียหายอะไรนี่เป็นอาการคําว่าอาการก็คือสภาวะธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มีอยู่ในกายของเราที่เป็นรู ป, ปรธรรมเกษาคือผมทั้งหลายเราดูไปที่ผมเวลาเราสวดเรากำหนดจดจ่อลงไปกับสภาวะธรรมแล้วจะได้กําลังใจทีเดียวโลมาคือขนทั้งหลายก็ดูไปที่ขน เกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนักขาคือเล็บทั้งหลายนี่คือชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนี่มันจะไม่เหมือนกันท่านจึงเรียกว่าอาการแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นอาการของกายอันนี้เราแยกโดยละเอียดนะอาการสามสิบสองเนี่ยอาการธาตุดินก็ไปถึงนุ่นไปถึงอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นธาตุดินนะ อาหารเก่าหมายถึงกริสะกริสะนั่นแหละมาเลืออุจจาระนั่นแหละถ้าเรียกกริสะกริสะที่มีอยู่ในท้องเราเนี่ยพอออกไปข้างนอกแล้วเราก็มันออกไปนอกตัวเราแล้วแหละอืมมันพ้นไปจากอาการสามสิบสองของเราแล้วแต่ตอนมาอยู่ในท้องเราเราพิจารณาได้กริสังอาหารเก่านี่เป็นธาตุดินธาตุน้ําก็น้ำดีน้ําเสลน้ําเหลืองน้ําเลือดจนถึงน้ํามูด น้ำโมดคือคือน้ำปัสสาวะเนี่ยคือน้ำธาตุดินกับธาตุน้ำนอกจากมีธาตุดินแล้วธาตุน้ำและยังมีธาตุลมกับธาตุไฟนะธาตุทั้งสี่จะต้องมาเกาะกลุ่มกันธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมตามท้องลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวอันนี้คือธาตุลมธาตุลมมันจะมาปรนเปรยกายเนี่ ปลนปลุกกายให้อยู่อยู่อยู่ดีมีสุขให้เป็นไปได้ดีไม่งั้นลมถ้าลมไม่มีก็อยู่ไม่ได้แล้วแหละลมไม่มีก็คือหมดลมหายใจเข้าออกแท้จริงลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันเป็นระบบอย่างหนึ่งของร่างกายร่างกายถูกกําหนดมาที่ปอดให้ปอดนี่ดูดเข้าดูดออกดูดเข้าดูดออกดูดอากาศเข้าไปอากาศที่ดีๆเข้าไป แล้วก็ถ่ายเทยอากาศไม่ดีออกมาดูดอากาศดีเข้าไปดูดออกซิเจนถ้าว่าไปแล้วก็ดูดอากาศออกซิเจนเข้าไปเพราะร่างกายของเราต้องการอากาศบริสุทธิ์อากาศดีๆอากาศออกซิเจนเอาไปแล้วก็ไปไปปรุงทําให้ร่างกายนี้เป็นอยู่ได้ด้วยด้วยลมลมอันนี้แหละเนี่ยพอทางานลมหายใจเข้าลมหายใจออกตราบใดที่เราขาดลมหายใจสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งนี่ก็น่าจะอยู่ไม่ได้ละมั้ง เราไม่หายใจสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งดีไม่ดีถ้าตื่นขึ้นมาก็สมองพิคนพิการนั่นแหละมันขาดออกซิเจนมันขาดอะไรต่ออะไรนี่เพราะว่าร่างกายหายใจเข้าไปเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ถ่ายเทของเสียออกมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คือธาตุลมแล้วก็มีธาตุอีกอันหนึ่งมาอบมาอุ่นเอาไว้คือธาตุไฟเราจับได้เลยลมเราก็สัมผัสได้ลมหายใจเข้าหายใจออกธาตุไฟเราก็สัมผัสได้ นี่พุทธเจ้าท่านตรัสของจริงไว้ทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟธาตุภายในของเรามียังไงธาตุภายนอกก็มีอย่างนั้นนอกตัวนอกกายของเราก็มีอย่างนั้นข้างนอกกายเรามียังไงข้างในกายเราก็มีอย่างนั้นแต่ว่าดินน้ํามลมไฟในกายของเรานี้มันมาเกาะกลุ่มกันอยู่ได้ด้วยอํานาจของกรรมเนื่องจากว่าเราได้กรรมกรรม อัตภาพที่เราได้มานี้เราได้ด้วยอำนาจของกรรมกรรมเหมาะสมที่เราให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทําให้เรามีอัตภาพร่างกายอย่างนี้แต่ว่ามันต้องอาศัยธาตุภายนอกดินน้ําลมไฟมาเกาะกลุ่มกันเสร็จแล้วก็มีผู้เข้าไปจับไปจองไปถือครองคือจิตใจแท้จริงร่างกายคือผลผลของใจนั่นแหละเนื่องจากใจยังมีกิเลสอยู่ ใจควรจะได้รับร่างกายอัตภาพร่างกายรูปแบบแบบไหนก็ตามแต่ก็จะได้ตามลักษณะนั้นตามอาการนั้นถ้าจิตใจเราหยาบเราก็ได้อัตภาพที่หยาบหยาบเช่นยังไงเช่นอย่างเป็นหมาเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรเป็นงั้ น, นอัตภาพที่หยาบเนื่องจากว่าจิตใจมันหยาบแต่ถ้าจิตใจละเอียดประณีตขึ้นมาหน่อยพอจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เราก็มาได้ร่างกายเป็นมนุษย์ นี่ท่านเรียกว่าอัตภาพร่างกายของเราเนี่เป็นวิบากกรรมของจิตเกิดขึ้นจากผลิตผลของกิเลสนั่นแหละที่มันมีอยู่ภายในจิตใครทํากรรมยังไงไว้ได้อัตภาพหยาบมันก็ควรจะได้หยาบควรจะได้ละเอียดมันจะได้ละเอียดควรจะได้ประนีตขึ้นไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นกายทิพย์เป็นอะไรเขาก็ได้ตามอัตภาพของเขาได้ตามผลบุญผลกรรมของเขานี่อัตภาพร่างกายนี่เราพูดถึงการพิจา ร, รณาการ32 เสร็จแล้วเราก็พิจารณาเนืองๆถึงความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาของมันนะความแก่เนื่องจากมันเกิดมาแล้วมันเกิดมาแล้วสภาวะธรรมทุกอย่างไม่คงที่ไม่อยู่กับที่มันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆขับเคลื่อนไปเรื่อยๆการขับเคลื่อนของมันไปเรื่อยๆก็คือทําให้เราเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นภาษาธรรมะท่านเรียกว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้น นับตั้งแต่หยดแรกที่เราเกิดในท้องแม่หยดเลือดตัวนั้นก็ผสมกันนับตั้งแต่เป็นเลือดขาวนั่นน่ะใสๆมาจนเป็นเลือดข้นจนมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆท่าเรียกว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้ น, นเพราะได้อายุก็ออกมาได้ครบกําหนด8เดืนเนนเนนอน9เดือนก็ออกมาคลอดออกมาท้าเรียก ว, ว่าแก่ร่างกายแก่มันแก่ไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยอัตภาพร่างกายมันแก่ไปเรื่อย ไม่มีอะไรหยุดอยู่กับที่ไม่มีอะไรคงอยู่กับที่นี่คือความแก่มันมีความแก่เป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนี้ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บพอสังขารจับผสมกันได้ปั๊บแป๊บเดียวแล้วแก็แก่ขึ้นมาเรื่อยเลยท่านนี้ยเมื่อเกิดแล้วเราก็มีความแก่แก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยแก่มาเรื่อยภาษาธรรมะที่านเรียกว่าแก่นะเจริญขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยท่านเรียกว่าแก่เรื่อยแก่เรื่อยแก่เรื่อย มันไม่ใช่ว่าเราเรียกแก่เหมือนอย่างมะม่วงแก่อ่าเม็ดแข็งๆมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นก็แก่ไปอย่างหนึ่งแต่ภาษาธรรมมาถ้าเรียกว่าแก่คือการเจริญเข้ามันมันจะเติบโตขึ้นมันจะไม่คงที่นะมันจะโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆเม่ต่างอะไรกับกับลูกมะม่วงแหละละกับผลมะม่วงกับผลไม้แหละมันเป็นต่อมเล็กๆมันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นมันไม่มีอะไรไปยับยั้งมันได้ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรยับยังมันได้ การที่เรายับยั้งไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าอาการของความทุกข์เนี่ยนี่แหละคือลักษณะของความทุกข์มันไม่คงที่มันไม่อยู่กับที่มันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนี่เราเกิดแล้วเรามีความแก่เป็นธรรมดาแต่กิเลสเนี่ยมันไม่อยากแก่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดา เพื่อให้ใจมันยอมรับเพื่อให้ใจมันเชื่องชินถ้าใจมันไม่ยอมรับถ้าใจมันไม่เชื่องชินละสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือกองทุกขทําไมถึงเป็นกองทุกขเพราะว่าเราปรารถนาแล้วไม่สมหวังยําปิดชั่งนรพลปิตามเปีตุคั่งปรารถนาสิ่งใดก็ตามไม่ได้สมใจหวังเราก็ได้รับความทุกข์ความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจจากการที่เราปรารถนาไม่ได้อย่างใจเราหวัง เนี่ยที่เราสวดพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นธรรมดาของมันคําว่าธรรมดาธรรมดานี่มันอมอนิ จ, จังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นทั้งหมดคําว่าธรรมดาธรรมดาสามัญยลักษณะลักษณะธรรมดาธรรมดาเสมอกันแก่สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะเสมอกันหมดเสมอกันยังไงอันนั้ก็เล็กอันนี้ก็ใหญ่ ท่านม่ได้เรียกเล็กเรียกใหญ่ท่านเรียกว่าเสมอกันด้วยลักษณะอนิจจังลักษณะทุกขังลักษณะอนัตตาการที่มันเปลี่ยนไปไม่อยู่คงกับที่ท่านเรียกว่าทุกลักษณะที่มันเปลี่ยนไปท่านเรียกว่าอนิจจังทุกขังคงที่อยู่ไม่ได้เป็นทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเป็นธรรมดาของมันไม่มีใครไปดัดแปลงมันได้ไม่มีใครไปไปชะลอไปหยุดไปยั่งมันได้ ไม่มีใครไปบังคับบัญชามันได้พระพุทธเจ้าทนทรงตรัสว่านี่แหละอนัตตาอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราไม่ไม่ใช่ตนเรามันเป็นไปตามสภาวะธรรมเราดูให้เห็นตามที่พระองค์ทรงสแสดงนี้เป็นเนื้ออัดเป็นเนื้อธรรมเป็นลักษณะของธรรมถ้าใจของเรายัางเข้าถึงเนื้อหาของสัจธรรมอย่างจริงจังแล้วเราก็ได้อัดได้ธรรมแต่เราไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ฟังเรื่อยเเราเข้าใจไปเรื่อยเฟังเรื่อยเเข้าใจไปเรื่อยเซึมซับไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อ ย, อยๆ จิต ใ, ใจของเราก็ยอมรับไม่ฝ่าฝืนหลักความจริงในเมื่อไม่ฝ่าฝืนหลักความจริงโอกาสที่เราจะน้อมน้าวไปเพื่อเห็นอัตเหียนธรรมมันก็มีมันก็เปลี่ยนได้นี่เราก็สวดแล้วก็พิจารณาอืมเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาไปแผ่เมตตาพรหมวิหารเบสตาเวราพยาปัจนานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุแผ่เมตตาพรหมวิหารอันนี้เป็นการแผ่กระจายแสดง ความเสมอภาคในจิตของเราในใจของเราเนี่ยแกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะไม่ให้มีเวรไม่ให้มีภัยไม่เบียดเบียนกันเนี่ยมีให้มีเมตตาต่อกันอ่ะไม่มีเวรต่อกันและกันนะไม่เบียดเบียนกันอันนี้เมตตาเป็นเมตตาอัพยาปชาไม่เบียดเบียนกันอานิฆาอันนี้ก็คือให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขสบดุกขาประมุดจันตุเนี่ย จงพ้นจากทุกเถิดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกเถิดอา น, นิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุมีความสุขเสมอหน้ากันเถิดเราพิจารณาสรุปแล้วก็คือแผลเมตตาพรหมวิหารนั่นแหละแผลเมตตาแผ่กรุณาแผลมุติตาแผลอเผุเบกขาแผลเมตตาก็คือเอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเรา เรามีความสุขยังไงเขามีความสุขเขาก็เหมือนกับเรามีความสุขนั่นแหละเรามีความทุกขยังไงเขามีความทุกเขาก็มีความทุกเหมือนอย่างที่เรามีความทุกนี่แหละเรามีความทุกยังไงเขาก็มีความทุกเหมือนอย่างเรามีความทุกนี่แหละในเมื่อเราเทียบเคียงจิตใจของเราจิตใจของเขาไปแล้วจิตใจมันก็อ่อนน้อมเข้าหากันเกิดการเมตตาการเกิดการสงสารกันนี่คือการแผ่เมตตานะจะแผ่ให้ได้ผลจริงๆจะต้องแผ่อย่างนี้ ต้องเอาใจเราไปใส่ใจเขาเห็นเขาทุกข์ยากเขาลำบากโอ้ถ้าถ้าเราเป็นเหมือนเขาแล้วเราจะทําไงเสร็จแล้วมันจะใจอนหนึ่งแวบขึ้นมามันเกิดความรู้สึกเมตตาสงสารขึ้นมาทันทีไม่แข็งไม่กระด้างไม่รูถูกไม่เหยียดยม้มไม่ไปสาดไม่ไปแช่งไม่ไปซ้ําเติมเขานี่เมตตากรุณาเขาทุกข์อยู่แล้วอย่าให้เขาพ้นทุกข์โอเราเรามีความทุกข์อยู่ในใจ เหมือนอยเราถูกเสียบถูกแทงด้วยอะไรอยา่างใดอย่างหนึ่งเราอยากพ้นทุกข์เราอยากถอนสิ่งที่ปักเสียบนี้ให้พ้นจากจากอกเราเนี่ยในเมื่อถอนออกไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขยังไงถ้าเขาถูกเสียบถูกปักถูกเสียบเหมือนเราเนี่ยในเมื่อถูกถอนออกเขามีความสุขก็มีความสุขเหมือนเหมือนเราเนี่แหละกรุณาเพราะฉะนั้นท่านทึงให้ช่วยกันใครมีประสบใครประสบทุกข์ท่านก็ให้ช่วยให้พ้นจากให้พ้นจากทุกข์จากนั้นแล้วก็ให้ยินดี ในเมื่อผู้อื่นได้ดีนี่คือมุทิตามุทิตาคือพลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีถ้าเราไม่พลอยยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีนี่กิเลสมันจะแทรกมันแทกมายัางไงกิเลสมันแทกมามันอิจฉาเขานั่นเช่นอย่างเขาได้ดีเนี่ยแทนที่เราจะอนโมทนาไปกับเขาเอ๊มันไม่เห็นควรจะได้เลยเล่าตั้งหาควรจะได้ทําไมเราไม่ได้แน่มันอิจฉาเขา นอกจากนอกจากอิจฉาอิจฉานี่เป็นต้นเหตุนะจากนั้นแล้วก็มีการไปยือปยปปยปย้อไปแย่งไปบิดไปเบี้ยวไปยื้อไปแย่งไปทําลายสิทธิ์ของเขาเพื่อให้ตกมาถึงเรานี่นี่คือโกนคือบายของกิเลสมันจะไปช่องนี้มันจะไปตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านให้ ท, ใหท่านให้แผ่มุติตามุติตาคือพลอยยินดีเ อ, อ้ยยินดีด้วยโอ้เขาได้เขาคงจะปลื้มใจเขาคงจะยินดีถ้าเราได้บ้างเราคงจะปลื้มใจเราคงจะยินดีเอออนุมตนาสาทุกกับเขา พอยินดีกับเขาใจมันก็อ่อนน้อมลองไม่อนันโมทนาไม่ยินดีกับเขาลองดูเออเราน่าจะได้บังเราน่าจะได้บา ง, าาบางแต่เราไม่มีบุญได้เราไม่มีบารมีได้ในที่สุดก็แย่งเขาเนี่เราดูที่กิเลสมันออกลวดลายได้สารพัดนะมุติตาอุเบกขาอุเบกขานี่ข้อสุดท้ายอุเบกขาคือวความวางเฉยความวางเฉยนี้ความวางเฉยไม่ใช่ท่านให้ทําเฉยๆนะ ไม่ใช่ท่านให้ทําเฉยๆความบางเฉยท่านให้พิจรารณากรรมกรรมสโกมหิกรรมดาญาโดกรรมโยนิกรรมบนันทุกรมมปฏิสณายังกรรมมังกริสันติกายานังวาปาปังวาตาจัจะดาญาดาภวิสันติอืมคือท่านให้พิจารณาถึงกรรมโอ้กรรมของเขาเนาะเขาทําดีได้ดีเนาะโอ้กรรมของเขาเขาทําไม่ดีได้ไม่ดีเนาะ เช่นอย่างเราพยายามช่วยเท่าไรแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็พิจาราณาถึงกรรมโอ้กรรมของเขามันถึงคราวที่เคราะหกรรมของเขามาไปจวบเหมาะตอนนี้ให้เขาได้ทุกข์ยากลําบากแก้ไขยังไงเราช่วยยังไงเราก็ช่วยไม่ได้ช่วยอย่างนั้นเราตั้งใจช่วยเท่าไรก็ช่วยไม่ได้โอ้กรรมของสัตว์ท่านให้ปลงลงในกรรมเมื่อใจเราปลงลงในกรรมนี่โอกาสาที่ปัญญาเราจะพิจารณาไปถึงสัจจะความเป็นจริงนี่มันก็เริ่มมีขึ้นเริ่มเริ่มเปลี่ยนขึ้นเนาะ มันสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์นกันไปหมดนะเรื่องธรรมะนะทั้งภาคพื้นพื้นกับทั้งภาคปฏิบัติมันจะสัมผัสสัมพันธ์นกันไปหมดแหละมันจะโอนอ่อนผ่อเข้าหากกรรมหลักของกรรมโอ้พอพ อ, พอพูดมาถึงหลักของกรรมก็กลายเป็นเรื่องว่าใครทํากรรมยังไงก็ได้อย่างงั้นะทํากรรมดีเขาได้รับผลดีทํากรรมไม่ดีเขาได้รับผลไม่ดีคนที่เขาได้รับ ได้รับผลดีก็คือเขาทำเหตุมาดีแล้วเขาถึงได้รับผลที่ดีๆคนที่ได้รับกรรมไม่ดีตอนนี้ให้เราเห็นให้เราปรากฏเฉพาะหน้าเราเพราะเขาทำเหตุไม่ดีมาแล้วเป็นเหตใหใหุให้เขาได้รับกรรมไม่ดีนี่ถ้าให้พิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่วางเฉยเ ง, งียบเหมือนเหมือนคนเสานี่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนึกคิดพิจารณาอยู่ในใจเสร็จแล้วธรรมะมันละเอียดนะ ทำไมมันละเอียดึกเข้าไปอีกนะการพิจารณาถึงนีิทัเดีย ว, ว่าอุบเบกขาคือความวางเฉยคือความวางเฉยความวางเฉยอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเออ เ, เขาทําดีก็เห็นว่าเออในเมื่อเข า, เขาทําเหตุดีเขาก็ย่อมได้รับผลดีไปเราเห็นด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเห็นว่าเออเขาทําเหตุไม่ดีแล้วเขาได้รับผลไม่ดีอันนี้เราก็เห็นด้วยเราเห็นด้วยเหตุด้วยผล เราเห็นด้วยตามเหตุตามผลแต่เราไม่ได้ไปซ้ําเติมใครอเราไม่ได้ซ้ําเติมเราไม่ได้ซ้ําเติมคนที่ได้ไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้ไปยกย่องคนที่ได้ดีเราพิจารณาไปตามห ล, หลักของเหตุแล้วก็ของผลอันนี้เป็นอุเบกขาอีกอย่างหนึง่งอุเบกขาของพระอริยเจ้าที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านพิจารณาได้อันนั้นคือท่านรอบท่านรอบมาแล้วท่านถอนออกมาแล้ว ที่ท่านเรียกว่าฉลังคุเปขาฉลังคุเปขาคือท่านท่านเห็นสักเทวะเห็นได้ยินสักเทวะได้ยินได้กลิ่นสักเทวะได้กลิน่นได้รสสักเทวะได้รสได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อ น, ออนแข็งสักเทวะสัมผัสใจน้อมนึกกสักเทวะอารมณ์ที่เป็นสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ตกผลึกไปถึงไปถึ ง, ไป ถ, งไปถึงจิตมันทํางานอยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่าอุเบกขา อุเบกขาทั้งหอุเบกขาทั้งหกก็คือเป็นผลงานที่ที่ท่านทําไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านพ้นไปแล้วรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรก็เห็นก็เลยสักแต่ว่าเห็นคือกิเลมันเกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดทัน ว, ว่าฉลังกุเปกขานี่คืออุเบกขาอ่ามั น, ม, นมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเนี่ยเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจละเอียดลึกซึ้งก็ไปแล้วอู้ธรรมะประสประสานกันละเอียดออ อันนี้เราเราพูดถึงบทที่เราสวดเมื่อกี้สวดแผ่เมตตาเสร็จแล้วเราสวดแผ่ส่วนบุญเราสวดแผ่ส่วนบุญเราสวดให้ส่วนบุญส่วนย่อๆกับส่วนยาวๆคืออิมินายาวๆเนี่ยอืมอันนี้ก็แผ่ระบุเจาะจงไปถึงคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นนนแล้วที่ไม่เจาะจงก็คือขอใหสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้มีความสุขให้ได้รับความสุขผู้มีความทุกข์อยพ้นจากทุกข์ผู้มีความสุข แล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชผลบุญที่กัปเจ้าอุทิศส่งไปนี้ขอให้เป็นปัจจัยขอให้เป็นปัจจัยแท้จริงทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัยเท่านั้นเพราะมันเป็นการรำพึงรำพันถึงผลกรรมภายในใจมันเป็นเรื่องของสติเห็นเป็นเรื่องของปัญญาเห็นแล้วมันไม่ไปไหนมันมารวมลงที่ใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรารู้ทำเห็นทำเข้าใจทำ เป็นเหตุให้เราพ้นจากทุกอย่างที่เราตั้งใจปรารถนาเนี่ยการตรวจมนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการพาลณาธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ลืมที่เราจะสรรเสริญบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อันนี้เรายิ่งสรรเสริญไปเท่าไหร่เป็นเหตุทาให้เรานี่ได้รับความเชื่อได้รับความเลื่อมใสได้รับความศรัทธา ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปนี่ทําให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเหมือนพระองค์เหมือนพระพุทธเจ้าอยากได้พระธรรมเหมือนพระพระุทธเจ้าอยากได้พระธรรมเหมือนพระสงฆ์พระอริยะสงสารวกเจ้าเนยเป็นเหตุให้เราละลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสรรเสริญบดคุณของท่าน่ะแล้วก็เป็นเหตุให้ใจเราสงบเป็นเหตุให้ใจเราเยือกเย็นเป็นเหตุให้ใจของเรานี่ได้บุญ กายของเราก็ได้บุญวายจาของเราก็ได้บุญกายของเราก็งามเราอยู่ในกิริยาท่าทีที่กราบที่ไหว้คือกิริยาที่งามวายจาของเราก็งามคือวายจาของเรากล่าวแต่สิ่งที่ท่านเรียงลําดับมาให้แล้วเป็นอัดเป็นธรรมบทสวดทั้งหลายเนี่ยท่านเรียงมาแล้วนะไม่ใช่เราไปนึกนึคิดพู ด, พ ด, พ ด, พดตามด้วยเปลือยตามภาษาเรานึกเราคิดมันเป็นบท ที่ท่านเรียงมาแล้วแล้วเรามาท่องกันเรามาจากันหรือไม่ก็เราก็ดูตามเนี่ยเป็นเหตุให้วาจาของเราเนี่มีความงามกายของเรางามวาจาของเรางามตะล่อมลงไปแล้วรวมลงไปที่พายชนะเดียวคือใจนี่ทุกอย่างรวมลงที่ใจทั้งหมดนะบทพุทธานุสติเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยตะก่อนที่ท่านนิยมใช้รูปประครูปประค ำ, ระคำเราจะเห็นมีรูปประคำรูปประคำมันจะมีร้อยแปด ท่านก็นมาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธทังก็หยอดหยอดยอยอดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทั้งก็หยอดหยอดยอดยอ ด, ด, ด, ด, ดนี่เอาบทพุทธคุณเนี่ยมาภาวนาภาวนาทำไมภาวนาให้ให้ใจอยู่กับอารมณ์เดียวแล้วใจจะได้รับความสงบนี่แหละคือสาเหตุคือต้นต่อที่ทำให้จิตใจของคนเราเนี่เกิดอิทธิริษยาติหานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไปจากตรงนี้แหล ะ, ะเพราะฉะนั้นพวกคาถ า, าคมพวก วัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงที่เรานิยมชมชื่นชมชอบกันเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากคุณของพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเอามาใช้กิริยาด้วยการบริกรรมทําให้เกิดพลังจิตแล้วก็อัดเข้าไปในวัตถุมงคลทําให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมีพลังเนี่ยเราไม่ได้คิดเราไม่ได้นึกไปอย่างนั้นเรามาอัดให้กับกายของเรากับวาจาของเราแล้วก็ให้กับใจของเราเนี่ย ใจของเราก็กลายเป็นมงคลกลายของเรากลายเป็นมงคลวาจาของเรากลายเป็นมงคลใจของเรากลายเป็นมงคลและพลังทั้งหลายก็รวมลงที่ใจของเรามีพลังมากๆ ม, มีกําลังมากๆสามารถต่อกรกันได้กับศัตรูศัตรูคืออะไรศัตรูคือกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเรานี่เป็นศัตรูตัวที่ร้ายกาจติดตามเราไปทุกพบทุกชาติทุกขอนทุกแห่งหลับตื่นลืมตา ห้าปาตั้งแต่เกิดมาเนะ่ยเกิดมาอยู่กับมันไปกับมันกับกิเลสนี่คือศัตรูนะเราเกิดมากับศัตรูเราอยู่กับศัตรูเราเป็นผลิตผลของศัตรูอย่าลืมศัตรูคือกิเลสแต่ใ น, นเมื่อเราได้อัตภาพมาแล้วเราต้องใช้เขาให้เกิดประโยชน์การจิตใช้เขาให้เกิดประโยชน์ก็คือเอาเอาเขานี่มาทําวัดมาสวดมนต์มานั่งภาวนามาพิจรารณาเพื่อทําลายความลุ่มหลง นอกจากเป็นผลิตผลของเขาแล้วเร า, เราก็ยังมาลุ่มหลงมาเกอะมายึดอยู่ว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราอยู่ร่ำไปอยู่นี่แหละกองทุกข์ก็ไม่จบไม่สิน้นวัฏฏสงสารก็ยืดยาวไปกับเราไม่มีจบไม่มีสิน้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มาเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อไม่ให้ลุ่มหลงเพื่อตัดรากตัดเงาแห่งความลุ่มหลงเพื่อที่จะต่อกอนการตัดรากตัดเงาคือการตัดร่างเง่ า, งาของกิเลสนั่นแหละเพราะว่าร่างกายของเราเป็นผลิตผลของกิเลส อัตภาพร่างกายของเราของท่านนี่เป็นผลิตผลของกิเลสมันเป็นกิเลสโลกียธรรมมันเป็นกิเลสขั้นโลกิยธรรม เ, เราทำทำดีมากๆาร่างกายก็ยังเป็นผลิตผลของกิเลสอยู่นั่นแหละแต่เราก็มีความสุขตามพบภูมิที่เราควรจะได้รับแต่ถ้าถึงขั้นโลกุตระธร ร, ธรมไปแล้วจะเป็นขั้นไหนโสดาสิกิทาคาร์แอนาคารหรือพระอาหารหันต์กหมดพบหมดชาติหมดอะไรเราก็หมดนั่นแหละ หมดพบหมดชาติที่เราจะพึงได้รับเป็นโลกุตรธรรมโลกุตรธรรมแเลยว่าทำพ้นโลกพ้นโลกโลกคือเกิดแก่เจ็บตายโลกคือวัฏะสงสารโลกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาโลกคือเกิดแก่เจ็บตายโล ก, กุตรธรรมทำ ท, ที่พ้นโลกคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพ้นวัฏะสงสารพ้นทุกพ้นโทษพ้นเวรพ้นภยัยพน้นกิเลสเสียดจันไยทั้งหมด คนทุกพ้นยากพ้นลำบากพ้นการยึดพ้นการถือพ้นอะไรทั้งหมดสรุปง่ายๆคือผลโลกผลโลกโลกก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาโลกคือเกิดแก่คือเจ็บคือตายโลกคือทุกขือยากคือลำบากคือกั nd านทุกทรมานทุกอย่างสารพัดเวลาเราไปประสบเราเราถึงจะนึกนึกถึงนึกเห็นถ้าเราไม่ประสบเรานึกไม่ออกหรอกเราไปดูถึงคราวที่เราอับจนในในหัวจิตในหัวใจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทําการทํางานการทำหมากินการขาดเขินกันของใช้ของสอยขาดสิ่งขาดของขาดเงินขาดทองขาดหมู่ขาดเพื่อนขาดสติขาดปัญญาขาอะไรสารพัดมันถึงคำอับจนเราดูดิความทุกข์มันเกิดขึ้นกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกเป็นอยู่ในโลกพวกเราพยายามสั่งสมอบรมธรรมเพื่อให้พ้นไปจากโลกสนับสนุนและก็อานโมธนากับ ทุกทุกท่านที่ได้ตั้งอกตั้งใจถวทมนภาวน า, าวันนี้ก็พอสมควรเกินเวลาแล้วนะไปภาวนาต่อ